ธรรมจากพระผู้รู้ตอนที่ยี่สิบโดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบันถามวันหนึ่งผมนั่งสมาธิและรู้สึกว่าจิตเกิดทุกข์มากในความรู้สึกขณะนั้น เป็นทุกข์ที่เกิดที่จิตโดยตรงยิ่งกำหนดมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นจึงทําให้รู้สึกปล่อยวางเฝ้าดูความรู้สึกนั้นแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงตั้งคําถามในใจว่านี่คืออะไรและได้รับคําตอบจากความรู้สึกว่านี่คืออุปาทานแล้วจิตก็คลายตัวโร่งปกติเหมือนกับได้รับปีติ ขอความกรุณาช่วยขยายความและบอกแนวทางในการแก้ไขที่ถูกด้วยตอบปฏิบัติได้ดีมากเชียวครับน้อยคนนักที่จะเข้าใจได้ว่าตัวจิตเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์อันใหญ่ที่เดียวไม่ใช่ต้องอยากหรือยึดสิ่งอื่นหรือขันอื่นเท่านั้นที่จะเป็นทุกข์เพียงเมื่อได้ยึดว่าจิตเป็นเรา ทันทีนั่นแหละทุกเกิดแล้วและเมื่อเอาจิตที่เป็นเราไปกระโดดโลดเต้นตามแรงกิเลสตัณหาเช่นไปยึดว่านี่กายเรานี่ความสุขความทุกข์ของเรานี่ครอบครัวนี่สมบัติของเราแล้วคราวใดเกิดความไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ซ้ำซ้อนที่ตามมาทีหลังส่วนมากเราจะรู้จักทุกชนิดนี้แต่ไม่ค่อยรู้จักจิตที่เป็นก้อนทุกข์ ทั้งที่ไม่ได้ยึดถือสิ่งภายนอกเมื่อเราดูจิตอยู่นั้นและเห็นว่ามันเป็นทุกข์จิตลึกๆมันอดที่จะอยากให้จิตพ้นทุกข์ไม่ได้วงเล็บเปิดดังที่บอกว่าเฝ้าดูแล้วมันไม่ดีขึ้นนั่นแหละครับเราอยากให้ดีขึ้นนะครับวงเล็บปิดความอยากนั้นยิ่งทำให้เพ่งจ้องให้พยายามทาลายทุกข์แล้วผลก็คือทุกข์จะหนักและแรงยิ่งขึ้น ไม่มีใครทำหรอกครับเราทาของเราเองทั้งนั้นทีนี้ต่อมาเฝ้าสังเกตอยู่เฉยๆและจิตมันพิจารณาว่านี่คืออะไรจิตก็ตอบว่าอุปาทานและความทุกข์ก็คลายออกลนนักษณะนี้ผู้ปฏิบัติเป็นกันทั้งนั้นครับเวลาจิตติดขัดสิ่งใดอยู่นั้นเมื่อใดที่ปัญญาตามทันปัญญาจะตัดอารมณ์ที่จิตกำลังยึดถืออยู่ขาดออกไปทันที เพราะคุณสมบัติของปัญญาคือการตัดแต่อันนี้ต้องเป็นปัญญาที่มันผุดขึ้นในใจจริงๆ จ, งจึงจะตัดได้ถ้าคิดๆเอายังตัดไม่ได้ครับที่ปฏิบัติมาทำได้ดีเชียวครับทีนี้เมื่อจิตวางความทุกข์แล้วจิตเบาสบายมีปีติแล้วอย่าลืมหันมาสังเกตความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนมากพอหายทุกข์แล้วผู้ปฏิบัติจะพอใจแล้วหยุดอยู่แค่นั้นเอง เข้าลักษณะเกลียดทุกข์รักสุขผมเองเมื่อก่อนที่ปฏิบททัติทีแรกก็เป็นอย่างเดียวกันนี้เหมือนกันครับอนุโมทนาครับถาม ในกรณีที่เราเกิดรู้สึกว่าจิตหงุดหงิดกังวลแต่หาสาเหตุไม่เจอภายนอกจะดูสดใสร่าเริงหัวเราะได้เรื่อยๆจะใช้จิตทุกขแบบคำถามแรกหรือเปล่าครับในวงเล็บช่วงนี้เป็นบ่อยมากและถ้าเราไม่มีปัญญาจะทำยังไงดีคือตอนนี้ใช้วิธีแก้ดังนี้ 1. ดูมันเฉยๆและคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดับไปเองเหมือนอารมณ์อื่นๆพอจิตเหลอ มันก็หายไปเองจริงๆแต่ดูไม่ทันว่ามันหายไปตอนไหนครับ 2. อ, อีกวิธีหนึ่งไม่รู้จะเข้าใจถูกหรือเปล่าคือคิดว่าการยึดมั่นคือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าจะไม่ยึดมั่นกับความรู้สึกนี้ก็ต้องไม่จดจ่อกับมันหรือปล่อยมันซะผมคิดว่าวิธีของตัวเองคงไม่ถูกนัดแต่จะให้พิจารณาว่ามันเป็นอุปาทานจิตก็ได้แต่คิด ไม่ได้เกิดจากปัญญาจริงๆมันจึงยังเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราตัดได้ด้วยปัญญามันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่หรือเปล่าครับช่วยชี้แนะด้วยครับตอบการปฏิบัติที่เล่ามาสองวิธีนั้นคือ 1. ดูมันเฉยๆและคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดับไปเองเหมือนอารมณ์อื่นๆพอจิตเผลอมันก็หายไปเองจริงๆ แต่ดูไม่ทันว่ามันหายไปตอนไหนขอเรียนว่าวิธีนี้ไม่เหมาะครับคือถ้าจะดูเฉยๆก็ไม่ต้องไปคิดนํามันที่สำคัญที่สุดต้องไม่เผลอครับเพราะถ้าเผลอแล้วมันหายไปนั้นเราไม่เห็นไตรลักษณ์สออีกวิธีหนึ่งคือคิดว่าการยึดมั่นคือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าจะไม่ยึดมั่นกับความรู้สึกนี้ก็ต้องไม่จดจ่อกับมันหรือปล่อยมันซะขอเรียนว่าวิธีนี้ก็ไม่เหมาะอีกครับเพราะมันเป็นการหนีอารมณ์ไม่ใช่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงการรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องไม่ให้สุดโต่งในสองด้านคือไม่เพ่งจ้องอย่างแรงๆกับไม่เผลอหรือหนีไปที่อื่นเป็นการรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏไปอย่างสบายๆครับ นนออราททีีที่่่มเป็ยูถามขณะนั่งสมาธิมียุ ม, มรุมกัดมีสองสถานการณ์ที่ผมใช้ดังนี้สถานการณ์แรกกำหนดความรู้สึกจุดที่ถูกกัดเฝ้าดูอาการของจิตที่ปรากฏ เริ่มจากรู้สึกว่ายุงมาเกาะแล้วกัดแล้วเราเจ็บถ้าไม่พิจารณาปล่อยวางร่างกายก็จะตบทันทีตามสัญชาตญาณแต่ผมปล่อยวางใช้ความอดทนเพื่อให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นและทนไปเรื่อยๆจนกระทั่งชาไม่รู้สึกแล้วความรู้สึกในเวทนาไม่มีก็ไม่มีอะไรให้จิตทําต่อแต่ก็เห็นแล้วว่าเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเราวางเฉย มันจะตั้งอยู่ระดับไปเองในที่สุดสถานการณ์ที่สองเมื่อรู้สึกว่ายุงมาเกาะต่อมามันกัดเรารู้สึกเจ็บผมใช้การทำความรู้สึกหาตำแหน่งที่เจ็บแล้วเพ่งความรู้สึกเข้าที่กลางของเวทนาที่เกิดในวงเล็บประยุกต์มาจากตำราเล่มหนึ่งที่สอนโดยพระชาวพมา่าเรื่องการกำหนดความรู้ตัวทั่วพร้อมวงเล็บปิด สักพักเดียวจะไม่รู้สึกถึงอาการคันเพราะชาไปแล้วก็ไม่มีเวทนามาศึกษาอีกแต่ก็ได้ความเข้าใจว่าเวทนามันเกิดได้ดับได้ไม่อยู่คงทนทั้งนี้ผมเห็นว่าประเด็นคำถามของผมจะคล้ายกับคำถามที่สองที่บอกถึงวิธีแก้สองวิธีคือผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำถูกแนวทางหรือไม่เนื่องจากใช้บ่อยจนไม่ค่อยรู้สึกว่าถูกหรือผิดวิธี ทั้งนี้ก็โยงไปถึงว่าการที่เราเจอเวทนาอื่นแล้วเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่ามันต้องดับเราก็วางเฉยจนมันก็ดับไปจริงอย่างนี้มันก็เกิดดับเช่นนี้เรื่อยๆแล้วในฐานะผู้ฝึกตนจะมีจุดสิ้นสุดที่ใดหรือต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นหรือต้องไปหาการฝึกแบบไหนตอบสถานการณ์แรก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 คือรู้ตั้งแต่เวทนาเกิดจนเวทนาดับแต่อยากจะให้เพิ่มการสังเกตจิตเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งครับตรงที่เวทนากำลังปรากฏนั้นจิตของเราเป็นอย่างไรมันเดือดร้อนรำคาญหรือมันเป็นกลางกลางวางเฉยเราต้องกดต้องข่มจิตหรือเปล่าถ้าจิตเป็นกลางก็รู้เวทนาต่อไปด้วยจิตที่เป็นกลางนั้นถ้าไม่เป็นกลางก็ให้รู้เข้าไปที่จิตตนเองดีกว่าครับ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 เวทนามันเกิดได้ดับได้ไม่อยู่คงทนวิธีนี้ไม่เหมาะครับมันเป็นอาการเพ่งเอาด้วยกําลังจิตเป็นวิธีการแก้เวทนาด้วยสมถะเวทนาดับไปก็จริงแต่จิตก็เกิดความสําคัญผิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่าเวทนานี้ถูกควบคุมได้กํากับได้ตามใจปรารถนาความจริงเวทนาที่เป็นทุกข์ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีเวทนาอีกแต่มันกลายเป็น อทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยแทนรู้สึกทุกข์ถ้าจะเจริญเวทนานุปัสสนาก็รู้ความรู้สึกเฉยเฉยนั้นต่อไปอีกครับอย่างนี้มันก็เกิดดับเช่นนี้เรื่อยๆคำถามที่ว่าอย่างนี้มันก็เกิดดับเช่นนี้เรื่อยๆแล้วในฐานะผู้ฝึกตนจะมีจุดสิ้นสุดที่ใดหรือต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นหรือต้องไปหาการฝึกแบบไหน การเกิดดับของเวทนานั้นจะมีอยู่ตลอดไปแม้แต่ในพระอรหันครับและเราปฏิบัติก็ไม่ใช่ทำเพื่อให้พ้นจากเวทนาแต่ทำเพื่อว่าเมื่อมีความสุขจิตก็ไม่หลงดีใจเมื่อมีความทุกข์จิตก็ไม่หลงเสียใจให้จิตเข้าถึงความเป็นกลางและเบิกบานอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆดังนั้น เมื่อรู้ความสุขก็ควรสังเกตความยินดีของจิตเมื่อรู้ทุกก็ให้สังเกตความยินร้ายของจิตจนจิตเข้าถึงความเป็นกลางและรู้เวทนาด้วยความเป็นกลางต่อไปเมื่อปฏิบัติมากเข้ามากเข้าในที่สุดจิตจะรู้ความจริงว่าเวทนานั้นเขามีเหตุเขาก็เกิดขึ้นมาไปห้ามเขาไม่ได้และแม้จะมีทุกขเวทนาแต่ถ้าจิตเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้ายจิตก็ไม่ทุกข์เพราะทุกขเวทนานั้นถ้าจิตยึดเวทนาแม้กระทั่งสุขเวทนาจิตจะไม่เป็นอิสระจิตจะติดข้องอารมณ์หนักอึดอัดเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีพอจิตรู้เช่นนี้จิตก็จะฉลาดหมดความยึดถือยินดียินร้ายในอารมณ์ไปตามลำดับ งานกรรมฐานจึงไปจบลงตรงที่จิตไม่ยึดถืออะไรมีความสุขความเบิกบานเพราะความไม่ยึดถืออะไรไม่ใช่ว่าจบลงตรงที่ไม่มีเวทนานะครับเพราะมีกายอยู่ก็ต้องมีเวทนาตลอดไปห้ามไม่ได้ครับแแม้กปปราาถูวัญญน บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ย0